ที่นี่หลายคนทำงานเครือข่ายงดเหล้าอีกหลายคนก็ทำงานโรงพยาบาลงานที่เราทำส่วนหนึ่งนะในการดูแลสุขภาพของผู้คนก็คือชักชวนให้คนเนี่ยงดสิ่งเสพติดซึ่งทาง พุทธศาสนาเรียกว่าอบายมุกนะเช่นเล่าในการรณรงค์ชักชวนให้คนเลิกเหล้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องทำให้เขาเห็นโทษนะของเหล้าว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและบันทอนความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างไรบ้างแต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะเพราะว่า หลายคนเนี่ยก็รู้ว่าเราไม่ดีแต่ก็ยังปินเล่าหรือว่าถลำเข้าไปนะในสิ่งเสพติดที่ว่ารู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีแต่ก็กลับกลายเป็นคนติดเล่าอันนี้เพราะอะไรนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความประมาทก็ได้นะ มีนักทำหนังคนนึงนะเมื่อสักมีชื่อมาเมื่อ50ปีก่อนนะชื่อเพียโพสเตอร์นะเขาทำหนังที่มีคุณภาพมากนะก่อนที่เขาจะทำหนังเป็นผู้กำกับเนี่ยเขาเคยเป็นศิลปินเรือว่าช่างนะวาดภาพโปสเตอร์โฆษณาหนังนะสมัยก่อนหนังเนี่ยมันก็ต้องมี การโฆษณานะก็ต้องมีการติดป้ายนะใช้คนวาดเอาปปเบบอสตอนี่เขาเล่าว่ามีคราวหนึ่งเขาก็ชวนเพื่อนสองคนนะคนหนึ่งชื่อเกษียณเนี่ยไปกินในร้านอาหารก็เห็นคนเมานะอยู่ในร้านเดียวกันเพื่อนที่ชื่อเกษียณก็เลยโพรงขึ้นมาว่าเนี่ย โง่ชิบหายเลยนะกินเหล้านะให้เหลากินต่อมาไม่นานเนี่ยก็มีการาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนนะทั้งสามคนนี้ก็ได้รับเชิญไปร่วมงานก็มีการตั้งเบียร์อยู่บนโต๊ะกระเสียนเขาก็ เกิดสนใจขึ้นมาก็ลองชิมนะเบียร์ดูรู้สึกมันฝึดๆนะขมๆก็เชื่อคงจะไม่มีอะไรนะผ่านไปหลายเดือนเนี่ยปรากฏว่าขณะที่สามคนนี้กำลังวาดรูปนะวาดโปสเตอร์เนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันจูจูจกระเสียนก็ไปบอกให้เด็กเนี่ย ไปซื้อเบียร์มาเบียโปสเตอร์ก็เลยแปลกใจก็เลยพูดามาว่าอ้าวว่าเขาแล้วทำไมกินซะเองกเกษร์ก็ให้ผลว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยคือว่าเล่านะเล่าเนี่ยมันเป็นของพวกคนสถุล น, นะแต่ที่ไปสั่งมาคือไปสั่งเบียร์กินแล้วเนี่ยนะมันผ่อนคลาย มันเป็นเรื่องของคนชั้นสูงนะอ่ากินเบียร์ได้ไม่นานนะจากขวดนึงก็กลายเป็นสองขวดสามขวดไหนสุก็กินเหล้ า, ากินเบียร์ในะวันละห้าขวดเต็ดเบียร์ไปแล้วนะวันหนึ่งเนี่ยนะขณะที่ทํางานด้วยกันก็เสียเนี่ก็ไปสั่งให้เด็กเนี่ยไปซื้อเหล้ามาเบียร์ก็เลยท่วงขึ้นมาเลยเอาไหนว่าเหล้าเป็นของสะถุนนะ แล้วทำไมกินเหล้าอ่ะกระเสียงก็บอกว่านายต้องมีเหตุผลหน่อยนะอาชีพยอย่างเราเนี่ยนะรายได้เนี่ยมันจะมากสักเท่าไหร่กันนะทุกวันนี้กินเบียร์วันละห้าขวดเนี่ยนะมันจะพอเลอหมายถึงว่าเงินเนี่ยที่ได้มันจะพอเลอสู้เหล้าไม่ได้นะเหล้านี่แป๊กเดียวนี่อยู่เลยนะ แทนที่จะกิน5ขวดนะแทนที่จะกินเบียร์ห้าขวดก็มากินเหล้าเป๊กเดียวนี่เป็นข้ออังเขาและสุดท้ายเนี่ยจากเป๊กเดียวนะก็กลายเป็นขวดแล้วในที่สุดกเสียงก็กลายเป็นคนติดเหล้าแล้วก็ตายเพราะเหล้านี่น่าคิดนะคนที่เคยพูดด่าหรือสบประมาทคนเมาว่าเนี่ยโง่ชิดหายเลยนี กินเหล้านะให้เหล้ากินจากคนที่ด่าศประมาทนะคนกินเหล้าจนเมาสุดท้ายตัวเองก็กินเหล้าซะเองนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะมันมีคำพูดสำนวนสมัยก่อนว่าอ่าอย่าว่าคนบ้านะอย่าด่าคนบ้าอย่าว่าคนเมา คล้ยๆว่าถ้าไปว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวตัวเองก็เป็นเองเนะอันนี้มันก็อาจจะบอกว่ามองว่าเป็นเพราะกรรมก็ได้เคยไปว่าเขาเสุดท้ายตัวเองก็เป็นเองแต่ที่จริงมันไม่ใช่ เ, เรื่องของพิบากนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่อ ง, องความประมาทมากกว่าเกษรเนี่ ย, เ, ย, น เ, นยเขาตอนที่เห็นคนกินเหล้าจนเมาเนี่ย เขาก็ดูถูกว่าไอ้ผู้นี่มันโง่นะคล้ายๆจะบอกว่าเนี่ยยฉนะันเก่งฉันแน่เนี่ยชันฉลาดเล่านี่เอาฉันไม่ได้หรอกนะไอ้ความประมาทนี่แหละนะที่มันนะเป็นต้นเหตุนี่ทําให้เขาเนี่ยนะกลายเป็นติดเล่าในที่สุดเนะพราะคนเราถ้าประมาทแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ระวังตัว พอไม่ระวังตัวนะก็โดนกิเลสเนี่ยนะมันค่อยๆหลอกค่อยๆล่ อ, ลอในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเขาไม่ประมาทนะถ้าเกิดเขาเตือนตัวเองว่าเนี่ยเนี่ยคนเมาเนี่มันมีเยอะแยะเลยเราก็ต้องระวังตัวเองนะอ่อย่าไปเผลอให้เล่านี่มันเล่นงานเราถ้าคนที่คิดแบบเนี่ยก็คงจะเสียทายกับเราได้ยาก ใจเป็นเพราะเขาประมาทนะเขประมาทว่ากูแน่นะเล่าเนี้เอาทำอะไรกูไม่ได้หรอกนะเล่าเนี้มันเล่นงานได้แต่เฉพาะคนโงนะ่ใครจะคิดแบบนี้นี่ก็เสร็จเลยนะเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมันก็มีกิเลสนะมีความอ่อนแออยู่ข้างในไอ้กิเลสเนี่ยมันก็จะคอยหาช่องนะที่จะหลอกจะล่อเรา แต่ถ้าไปประมาทมันนะไปคิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยหรือไปคิดว่ากูแน่แล้วนะไอ้ตรงนี้แหละนะที่จะทำให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของกิเลสทางกิเลสนี่มันก็มีมีความฉลาดมากนะยิ่งถ้าเราไม่เราไม่ระวังตัวเร า, าดูแคลนมันเนี่ยเราก็จะโดนมันหลอกหรือว่าเสียท่ามันได้ง่าย มีคนมากมายนะที่เสียท่าให้กับเหล้านะหลวงพ่อซูเมโทเนี่ยท่านเป็นชาวเมริกันนะนะท่านก็ตอนนี้ก็แ0ดิอายุ80ดิบแล้วนะท่านเล่าว่าตอนที่ท่านเริ่มมาบวชใหม่ๆที่กับหลวงพ่อชาที่วัดหนองประพงเนี่ยเมื่อสี่สิบสี่สิบห้าิปีที่แล้วเนี่ยนะมีภาพรูปหนึ่งนะซึ่งที่จริงก็เป็นพระที่ชวนให้ท่านเนี่ยมาบวชกับหลวงพ่อชา คือพระสมหมายเป็นพระที่เคร่งมาก เ, เวลาเพื่อนพระด้วยกนันลวนอาจารย์สุเมโธเนี่ ย, ยทำผิดวินัยเนี่ยเล็กๆน้อยๆพระสมหมายก็จะตำหนิก็จะว่านะคอยขนาบนะเรียกว่าคอยนะคอยวิพากวิจารนะเพราะว่าท่านเนี่ยเคร่งในวินัยมาก แต่ปรากฏว่าอยู่ไปไม่นานนะไม่นานนี่ก็คงอาจจะหลายปีนะท่านก็ศึกศึกไปแลศึกไปเนี่ยปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่ปีก็ปกรากฏว่ากลายเป็นคนที่ติดเหล้านะมันสวิงเลยนะจากคนที่เคร่งวินัยเนี่ยแม้กระทั่งข้อวัดเล็กๆน้อยๆก็ ก็ไม่ยอมผิดพลาดนะใครที่ทำผิด ก, ก็ว่าก็วิจารณ์นะแต่สุดท้ายกลายเป็นคนติดเหล้าแล้วก็ติดเหล้าแบบเรียกว่าเป็นโรคสุราเรื้อรังเลยนะทํางานทําการไม่ได้นะต้องไปอาศัยวัดอยู่แล้วก็อยู่นี่ก็จะต้องรอนะข้าวกลบบาทของพระตอนหลังก็ต้องไปถึงกับไปค้นหานะ ของกินตามกองขยะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็โดยรถชนตายนะเป็นการจบนะชีวิตที่นะ น, น่าอนาถมากนะจากคนที่เคร่งวิ น, นัยนะซึ่งก็คงจะลึกๆ ก, ก็คงจะดูถูกพวกที่กินเหล้าด้วยซ้ำตอนที่เป็นพระนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันนะมันโงนะ่มันทำร้ายตัวเอง สุดท้ายแนละ้วก็กลายเป็นคนที่ติดสุลานะแล้วก็ตายเพราะเหล้านะตายเพราะเหล้าคือโดนรถชนด้วยเพราะความเมาเมายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะว่าเหล้าไม่ดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นเหยื่อของเหล้าอันนี้เพราะความประมาทนะให้เราจะอ่าเราจะ ประมาทนะในประมาทกิเลสในใจเรานี่ไม่ได้เลยนะยิงเวลาเห็นนะคนเมาเนี่ยถ้าเราวางใจถูกนะมองเป็นนะแทนที่จะดูถูกเยียดยามเขาก็มองว่าเขาเป็นครูสอนเราว่า <c oughs> ต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างเขาน ะ, อะไอ้กิเลสนี่มันจะคอย สรรหาเหตุผลมาล่อลอกเรานะอย่างกเกษียณเนี่ยนะทีแรกเขาก็ไม่กินเหล้านะเขากินเบียรนะ์กินเบียร์ก็กินทีละนิดทีละหน่อยจะกินทีละแก้วตอนหลังก็ขยับขยายมาเป็นทีละขวดและจากขวดก็กลายเป็นสองขวดสามขวดสี่ขวดห้าขวดนะแล้วขยับมาเป็ น, ปนกินเหล้าจนระิงจริงไม่เยขยับขึ้นนะขยับลงนะมากินเหล้าทีแรกก็อ้างนะ ว่าเบียร์เนี่ยมันช่วยทําให้ผ่อนคลายนะกิเลสนี่มันทายเหตุผลมาที่สวยรูนะมันช่วยทําให้ผ่อนคลายเบียร์นี่เป็นของคนชั้นสูงแต่พอติดเบียร์มากๆนี่นะมันก็ล่อหลอกให้มากินเหล้าแทนมันก็อ้างเหตุผลนะไอ้ไอ้ผีเหล้าเนี่ยนะผีสุนรามก็อ้างว่ากินเบียร์นี่มันเปลืองเงินนะสู้เล้าไม่ได้นะเป๊กเดียวนี่อยู่เลยนะ นะมันมามมาด้วยเหตุผลที่สวยหรูนะว่าประหยัดเงินนะกินเบียร์นี่เปืองเงินนะกินเหล้านี่ประหยัดเงินกว่าสุดท้ายเป็นไงนะจากหนึ่งเปกก็กลายเป็นหนึ่งขวดนะแล้วก็หลายขวดอันนี้มันเป็นอุบายนะของกิเลสนะที่มันสามารถจะสรรหาเหตุผลมาหลอกมาล่อเราได้ได้เหตุผลนะก็ดูสวยหรูทั้งนั้นนะ มีเพื่อนตอมาคนหนึ่งเป็นหมอนะแล้วก็เจอคนไข้คนหนึ่งนะติดเหล้านะเรียกว่าสุขภาพนี่แย่มากนะหมอก็พยายามรักษานะให้ยานะแล้วก็ย้ำว่าเนี่ยต้องเลิกเหล้าให้ได้นะแต่แกมาที่ไรเนี่ยนะก็มาด้วยการที่แย่กว่าเดิมเพราะเลิกไม่ได้ จนหมอนี่ละอาเลยนะหมอนี่ละอานะเพราะว่าที่จริงเนี่ยถ้าเลิกเล่าได้เนี่ยอาการมันก็จะดีขึ้นจนกระทั่งเนี่ยมาครั้งนะครั้งสุดท้ายเนี่ยคนไข้เนี่ยมาก็เรียกว่าแย่เลยหมอก็เลยถามว่าทำไมเลิกเล่าไม่ได้สักทีแกบอกเครียดครับนะเครียด หมอก็เลยถามว่าเครียดเรื่องอะไรแกก็ตอบว่าเครียดที่เลิกเหล้าไม่ได้ครับคือไอ้ผีสุลานะมันจะหาเหตุกินเหล้านะมันจะต้องหาเหตุให้กินเหล้าให้ได้แม้กระทั่งหาเหตุว่าหาข้ออ้างว่าเลิกเหล้าไม่ได้ก็เลยเครียดนะดูดีนะเลิกเหล้าไม่ได้ก็เลยเครียดก็เลยต้องกินเหล้าซะเลยเพื่อคลายเครียดนะจริงเนี่ยนะ มันไม่ใช่เฉพาะเหล้านะคนเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ติดเหล้านะแต่ก็อาจจะติดอย่างอื่นนะซึ่งมันเป็นโทษนะกับร่างกายนะบางคนติดกาแฟบ้าบางคนอาจจะติดเกมออนไลน์บ้งเดี๋ยวนี้มันก็มีอ่อบายมุขแบบใหม่ติดไลนะ์ติดเฟซบุ o กนะติดละครนะมันก็จะมีข้ออ้างนะที่ทําให้เราติด ถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะถ้าเราไม่ทูไม่รู้เท่าทันไอ้พวกกิเลสเหล่านี้เนี่ยเราก็จะโดนมันเล่นงานนะนอกจากความไม่ประมาทนะคือไม่ดูถูกหรือไม่เมกไม่ดูแคลนว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันล่อลวงได้เฉพาะคนโง่นะคนอย่างเรานี่มันเอาเอาเราไม่ได้หรอกนะนอกจากการที่จะไม่ดูแคลนไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ย อีกอย่างที่สำคัญก็คือต้องรู้เท่าทันนะอุบายของมันเลยพราอเหตุผลที่สวยหรูนะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ติดสิ่งเสพติดอย่างที่ว่านะแต่ว่าที่มักจะติดกันนะก็คือเสพติดนะความคิดเสพติดอารมณ์พวกเราในที่นี้อาจจะไม่ติดเหล้าอาจจะไม่ติดกาแฟไม่ติดบุหรี่อาจจะไม่ติดเกมออนไลน์นะแต่ว่า ยากนะที่จะไม่ติดความคิดไม่เสพติดอารมณ์นะสังเกตไหมเวลาเรามามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยไนะ อ, อจะให้จิตเนี่ยมันมันไม่คิดเลยเนี่ยยากมากมันจะหาเรื่องคิดตลอดเวลาแม้แต่ขณะนี้เนี่ยนะมันก็้องหาเรื่องคิดทั้งที่เราก็ไม่อยากจะคิดนะบางทีถึงเวลานอนเนี่ยเราอยากจะนอนแต่มันก็คิด นะมันเป็นอาการเสพติดชนิดหนึ่งนะเสพติดความคิดแล้วคนนี้นี่เป็นกันเยอะนะเสพติดความคิดเลิกไม่ได้รู้นะว่าคิดมากๆไม่ดีแต่มันก็เลิกไม่ได้เหมือนคนที่ติดเลา่าติดการพนันเนี่ยเขาก็รู้ว่าเล่าไม่ดีการพนันก็ไม่ดีนะติดบุหรีนะ่บุหรี่ก็ไม่ดีแต่เลิกไม่ได้นะโดนมันหลอกทุกทีพแพ้แพ้มันทุกทีนะ ความคิดเนี่ยนะมันทีแรกเนี่ยเราเป็นฝ่ายคิดมันนะแต่ว่าไปประมาณเนี่ยมันมาสั่งให้เราคิดก็เหมือนกับทีแรกเนี่ยกินเหล้านะตั้งใจกินเหล้านะทีแรกเรากินมันนะแต่ว่าไปประมาณเนี่ยมันกินเราแทนไอ้ที่เกษรพูดเนี่ยผูกมากทีเดียวนะกินเหล้าให้เหล้ากินทีแรกเรากินมันนะแต่ว่า ต่อไปเนี่ยมันกินเราคือมันเป็นนายเราความคิดก็เหมือนกันนาทีแรกเนี่ยนะเราเป็นฝ่ายคิดนะเป็นฝ่ายตั้งใจคิดนะแต่ว่าพอคิดไปคิดไปนะแทนที่มันจะเป็นเครื่องมือของเรานะแทนที่เราจะเป็นนายมันนะมันกลับมาเป็นนายเราแทนมันก็บงการให้เราคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดไม่หยุด นะถ้านั่งที่อยากจะเลิกคิดสักทีนะของหายเสียดายนะถูกโกงเสียใจก็คิดนะถึงสิ่งที่เสียไปคิดจนกลุ้มอยากจะเลิกคิดแต่ก็หยุดคิดไม่ได้นะอกหักผิดหวังในความรักนะเจ็บปวด อยากจะเลิกคิดอยากจะตัดใจจากเขาแต่ว่าความคิดมันก็นะคิดไม่หยุดนะถึงเหตุการณ์นั้นจนกระทั่งบางทีเป็นบ้าไปเลยคนที่เป็นบ้าเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาคิดไม่หยุดความคิดมันกลายเป็นนายเขาไปแล้วมันไม่ใช่แค่ความคิดนะมันอารมณ์ด้วย คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะก็คิดนะจมอยู่กับเหตุการณ์แน่ดีเศร้านะวิตกกังวลนะแต่ว่าเลิกไม่ได้คนเราเนี่ยเวลาโกรธก็ดีเวลาวิตกก็ดีเวลาเศราก็ดีเนี่ยมันยิ่งถูกฉุดนะให้จมลงไปในความเศร้าลงไปในความวิตกลงไปในความโกรธมากขึ้นเวลาเราเศร้าเนี่ยนะ เราก็ไม่อยากจะทําอะไรอะ่ะอย่ากจมอยู่ในความเศร้าไปเรื่อยๆเพื่อนมาชวนให้ไปไหนก็นไม่ไปนะบางทีแม่มาขอร้องนะว่าให้ไปเที่ยวบ้างนะให้ไปทําอะไรบ้างก็ไม่ไปพยายามถนอมความเศร้าเอาไว้นะจมอยู่ในความเศร้าคิดแต่เรื่องที่ทําให้เศร้ามากขึ้นเวลาโปรดเนี่ยนะ โกรธเขาก็ตามเนี่ยเราก็จะขุดคุย้ความไม่ดีของเขาเพื่อมาทําให้เราโกรธมากขึ้นทําให้เราขุนเคืองใจเข้ามากขึ้นบางทีเริ่มแรกก็อาจจะไม่พอใจเขาแค่เรื่องเดียวแต่ปลามาเนี่ยจิตมันไปขุดคุยนะเพื่อที่จะทําให้โกรธโกรธโกรธโกรธโกรธมากๆอันนี้เราเสพติดความโกรธนะเวลาจะสลัดเนี่ยก็ไม่ยอมสลัด ใครมาแนะนําว่าให้อภัยเขาไปเถิดก็ไม่ยอมจะว่าไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็ก่อโทษนะสร้างอันตรายให้กับเรานะไม่น้อยกั บ, กบเล่านะเสพติดอารมณ์จมอยู่ในอารมณ์ต่างๆด้วยเพราะอารมณ์อกุศลเศร้าเสียใจโกรธนะวิตกกังวลนะกุ้มใจเนี่ยอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่รู้เท่าทันนะนะ อาจจะเป็นเพราะเราประมาทก็ได้นะประมาทในอารมณ์เรานั้นนะตอนที่มันโผล่ขึ้นมานะก็คิดว่ามันไม่มีอะไรนะแต่สุดท้ายก็โดนมันลอ่อมันหลอกไปคนเราเนี่ยนะจะต้องรู้จักเป็นนายนะเป็นนายอารมณ์ต่างๆเป็นนายความคิดนะความคิดเนี่ยถ้า เรารู้จักใช้มันนะมันเกิดประโยชน์นะแต่ถ้ามันกลายมาเป็นนายเราเมื่อไรเนะี่เราแย่เลยมันจะทำให้เราเนี่ยนะจมอยู่ในความทุกข์มากขึ้นงั้นะเวลาใครเนะเวลาเราเจอคนที่เข า, าเศรษฐติดนะจะเป็นเหล้าหรือยาก็ตามเนี่ยเมื่อเห็นคนเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะ ให้ลองย้อนกลับมามองเราว่าเราเองบางทีก็อาจจะไม่ได้ดีกว่าเขาเท่าไหร่นะเพียงแต่เราติดคนละอย่างนั่นเองเขาติดเล่านะแต่เราติดอารมณ์นะเราเสพติดอารมณ์เสพติดความคิดการเจริญสตินี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะที่ช่วยทาให้เราเป็นอิสร ะ, ะจากการเสพติดความคิดและอารมณ์ถ้าเรามีสตินะ เราก็จะนะไม่หลงพลัดเข้าไปในอารมณ์ง่ายๆที่จริงสติกับความไม่ประมาทนี่นะความหมายเดียวกันนะคนที่มีสติคือคนที่ไม่ประมาทคนที่ไม่มีสติคือคนที่ประมาทนะและถ้าประมาทแล้วเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราพลัดเข้าไปในอบายในความเสื่อมได้อย่างกรณีของกเกษียนเนี่ย ในธรรมดิการถ้าเราประมาทในความคิดและอารมณ์หรือไม่มีสติเนี่ยเราก็จะพลัดเข้าไปในความคิดและอารมณ์ทีแรกอาจจะพลัดเข้าไปในความคิดที่ดีๆนะเป็นความคิดที่แมมมันทำให้เราเคลิม้มนะทำให้เราเคลิ้มทำให้เราลอยนะมันจะมาในรูปนี้ก่อน เวลาฝันกลางวันเนี่ยเราก็อยากฝันนะเพราะว่าฝันแล้วมันมีความสุขแต่ที่จริงนั่นก็คืออุบายของมันพอต่อไปเนี่ยมันจะล่อให้เราจมอยู่ในความคิดที่เป็นอกุศล น, นะในความเศร้าคนที่ดีใจหัวราอเสียงดังนะเวลาเศร้าเนี่ยก็จะร้องไห้เสียงดังเหมือนกันนะยิ่งเป็นคนที่ฝันกลางวันง่ายนะ มันก็จะฝันร้ายได้ง่ายเหมือนกันนะหลายคนชอบฝันกลางวันแต่ไม่ชอบฝันร้ายแต่เมื่อเราตามที่เราปล่อยใจให้นะลุ่มหลงนะไปกับฝันกลางวันมันก็จะฝันร้ายนะได้ง่ายหรือว่าจมอยู่ในฝันร้ายไม่ยอมไถยไม่ยอมถอนจิตใจออกจากนะประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตนะให้ความลืมตัวไม่ว่าดีใจนะ หรือเสียใจนี่มันก็เป็นโทษทั้งนั้นนะความดีใจเนี่ยถ้าเราจมปล่อยใจจมเข้าไปในความดีใจนะมันสามารถจะกลายเป็นอันตรายได้คนที่ดีใจพอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนะึ่งะดีใจแบบลิงโลดเลยนะบางทีก็ตายนะเพราะความดีใจนั่นแหละเช่นพอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้ได้20ล้านดีใจ ขับรถนะขับรถกลับบ้านจะไปบอกข่าวดีให้กับพ่อแม่หรือว่าคนที่บ้านระหว่างที่ขับเนี่ยใจมันก็คิดถึงว่าเนี่ยเงินที่ได้20ล้านนี่จะไปทำอะไรนะฝันกลางวันจะไปซื้อที่นะจะไปซื้อรถนะซื้อรถกระ บ, บะบ้างให้พ่อนะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนะซื้อรถหรูราคาแพงให้ตัวเองนะ จะซื้อทองให้เมียคิดไปนะกอกว่าไม่ได้ดูรถข้างหน้านะชนกันตายหรือบางทีขับรถเร็วนะเหยียบเร่งคันเร่งเร็วมากเพราะความเพลินไม่ดูทางให้ให้รอบครอบนะแหกโค้งนะชนเสาตายไอ้ตายเพราะอะไรนะตายเพราะลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรเพราะมันดีใจมาก บางทีไอ้ความลืมตัวพอดีใจมันก็ทําให้เราทําอะไรแปลกๆได้นะมันมีเมื่อหลายปีเมื่อหลายสิปีก่อนนะัมันมีชาวบ้านคนนึงนะถูกลอตเตอรี่ตอนนั้นก็ก็รางวัลคงเป็นหลายล้านแล้วละ่ะแกดีใจมากนะวิ่งไปที่ตลาดชูลอตเตอรีก่กระโดดโลดเต้นแล้วประกาศได้ใครๆรู้ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะแกดีใจมากตะโกนบอก แล้วจูๆนะแกก็เอาลอตเตอรี่เนี่ยที่ชูเนี่ยมาฉีกเป็นชิ้นๆเลยตอนนั้นลืมตัวพอมารู้ตัวก็ตายแล้วให้ลอตเตอรี่ที่แกนะได้มานี่มันเป็นชิ้นๆซะละต่อเท่าไหร่ยังไงมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นลอตเตอรี่แล้วเอาไปขึ้นรางวัลไม่ได้จากดีใจสุดๆนะกลายเป็นเสียใจสุดๆเลย และสุดท้ายกลายเป็นบ้าเนะี่ต้องไปต้องไปขอทานนะกะเซิร์กระเซิงในในตลาดเนี่ยตลาดที่ตัวเองเคยประกาศว่ากูต่อไปนี้กูรวยแล้วเวย้ยกูได้รถกูถูกลัตเตอรี่วันที่หนึ่งเข้าใจว่าตอนที่แกฉีกรัตเตอรี่เนี่ยตอนคงจะคิดว่าเนี่ยต่อไปนี้กูไม่จนแล้วกูไม่เป็นหนี้แล้วนะลาก่อนความจนนะลากนความลําบากไอ้ตอนที่คิดแบบนี้นะมันก็ฉีกรัตเตอรี่ไปเลย แทนที่จะฉีกความจนนะแทนที่จะขับสายความจนกลายเป็นฉีกรถตเตอรี่ทิ้งนี่ถ้าไม่ถูกรถเตลลี่นะก็คงไม่บ้านะแต่พอถูกรถเตลลี่ก็เลยบ้าเพราะอะไรปะเพราะว่าดีใจจะลืมตัวแล้ะพอดีใจลืมตัวนะมันสวิงกลับมาเป็นเสียใจมันก็เสียใจจนลืมตัวเหมือนกันนะอารมณ์คนนี่มันสวิงกลับได้แรงนะจากคนที่เคร่งในวินัย น, นะเป็นพระที่เคร่งมากจนเครียดนะ กลายเป็นคนติดเหล้าเมาหยำเปนะแล้วก็ตายเพราะนะถูกรถชนเนื่องจากเมาหมายอันนี้ดูเหมือนตรงข้ามนะแต่ที่จริงมันก็เป็นเหตุผลสืบเนื่องกันนะคนรอถ้าสุดตรงทางหนึ่งมันก็จะสุดตรงไปอีกทางหนึ่งได้ง่ายจากดีใจมากๆดีใจสุดๆก็กลายเป็นเสียใจสุดๆนะงั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีสตินะแม้จะมีอารมณ์ดีใจนะเราก็ไม่ ไปปล่อยใจให้หลงไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนคนที่เวลาถูกชมแล้วดีใจนะเวลาเพื่อนกดไลค์ก็ดีใจโอ้ยกดไลค์เยอะๆดีใจคนที่ดีใจเวลาถูกชมนะพอถูกตำหนิเนี่ยมันก็จะเสียใจในระดับพอๆกันเลยแต่คนไปคนละทิศดีใจสิเพอะถูกชมนะพอไม่ถูกชมหรือถูกด่านี่มันก็จะเสียใจเป็นสิบเหมือนกันสมัยนี้นะ นะไม่ใช่แค่ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องมีคนมาวิจารหรอกนะแค่ไม่กดไลน์นี่ก็แย่แล้วนะเวลาใครกดไลน์ให้เราเราดีใจมากๆพอเขาไม่กดไลน์นี่แย่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปดีใจมากนะเวลาเจอสิ่งที่มันถูกใจคําชมคำสรรเสริญให้มีสตินะดูไว้นะเห็นมันมันดีใจก็เห็นมันถึงเวลาถูกตําหนิถึงเวลาเขาไม่กดไลน์ก็ไม่เสียใจมาก เอาล่ะคำเดียวพุทธนีนะกลับฮะ